ประเทศไทยเรามีชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์รวมกันเป็นคนคนเดียวกันมีการลักความชั่วมีการทำความดีชีวิตเหล่านี้เหมือนกันมีกายกับใจปัญหาก็มีเหมือนกันปัญหาเกิดกับกายปัญหาเกิดกับใจการแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาที่กายที่ใจ มา น, นการหมดหัวอกกัเดียวกันเรามาสร้างชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์พอส่วนรวมทำความชั่วทําความดีทําำกิจในบริสุทธิ์อย่าเบียดเวียนตนเองอย่าบีบเบียนคนอื่นทําให้ตัเป็นทุกข์เพิ่มความโกรธ ความคขัดแยนใจแล้วก็ทําให้เราเป็นทุกข์เบียดเป็นตอดเดงเป็นบาปเหมือนกันการที่จะคนละอย่างต่างกันก็คือแม้เรามีกายมีใจเหมือนกันความโลกความโกรธควาหลงเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธ เปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนได้เกิดขึ้นกับเราเปลี่ยนตัวเราก่อนไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นถ้าเราหลงก็ ร, รู้สึกตัวเปลี่ยนความหลงเป็นตัวรู้หยุดกับตัวเราไปก่อนตัวเราโกรธขึ้นมาทางใจแล้วก็เปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธให้มันต่างกันนะ่ะทุกคนทำหน้าที่ตรงนี้หัดท่านเป็น การถัดต่างนี้เราต้องหัดตัวเองสอนตัวเองเตือนตัวเองคนอื่นหัดไม่ได้สอนเราไม่ได้เราทุกข์ก็สอนตัวเองเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เมื่อเวลามันทุกข์ใจโกรธเครี้งขึ้นมาจะไปดุระด่าทำลายกันมาเปลี่ยนตัวเองก่อนอาจจะไม่ต้องด่าไม่ต้องทะเลาะกันก็ได้ถ้าเรามาเปลี่ยนตัวเองให้ เป็นร่ายกายเป็นดีจึงหัดตรงนี้แต่ทุกคนหัดตรงนี้ก็เกิดความสงบร่วมเยือนร่วมกันถ้าเราไม่หัดตรงนี้นนก็เด่นเราเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนเราจึงมีหัวอกันเดียวกันแล้วก็เราก็ทำได้ความโกรธันอยู่ที่ใจใจมันก็อยู่กับเราดี้องหัดเปลี่ยนรู หาก็เปี่ยนหนาอยู่อย่างพุทธเจ้าว่าอเิจาวสังขาราสังขารความโกรธความเครียดแค้นเชิงช่างเกิดขึ้นแล้วใจเราเล่าหนออุปทานวิยตธรรมโนเราประยึดเอาว่าเราวุชิตวันลโลฉันติเปลี่ยนหน้าอยู่เปลี่ยนหน้าอยู่เรยสังโมปจมโอโุโกเปลี่ยนโกฏนไอยแล้วเป็นสุขเป็นสุข ไม่ต้องดากันเลยมันมาให้เราเปลี่ย น, ม, นมาให้เราแช้งไขแล้วก็เป็นจิตใจที่ดีไปเรื่อยๆมันอยู่ที่เราสามารถเอาใจมาทำความดีคิดดีพูดดีเอากายมาทำความดีเอากายมารับความชั่วเอาใจมารับความชั่วได้มันอยู่กับเราเราก็มีสิทธิทำความดี เรามีจิตรับความชั่วเช่นเราโกรธเรามีสิต ท, ทีจะไม่โกรธความโกรธไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเราพมไม่โกรธเป็นธรรมกว่าเราก็มีสิตทธิตรงนี้เต็มที่อย่าไปยอมอย่าเสียเปียบความโกรธบางทีเราเสียเปียบความโกรธมากให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามคืนถ้าเปลี่ยนความร้ายนั้นเป็นความดีเรียกว่าปฏิบัติธรรม การเช่นไปตั้งหลับหูหลับตายอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เรานั่นแหละจนเร า, าทำดีได้หมดทางกายทางวาจาทางกิจใจทางกายก็ไม่ใหเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนข้าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติีนในกามทั้งหลายหลังของวรลองเกียด ให้เคารบสิทธิซึ่งกันละกันถ้าใครไม่มีรั่วร่องกายก็อยู่กับหมู่ไปได้ถูกจับคุมคุมขังไปอยู่ในคุกในตารางเศรษาชานเขาไม่ค่อยมีแต่ว่าคนเราไม่มีสมองต้องมีศาสนาเป็นคู่ชีวิตไม่เย็นเล่าไม่จบบุรี ไม่เป็นดักเลงการพ น, นันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เกียดข้านทำการงานกายของเรานี้เอาไปทำกมณีได้สาเร็จถ้าเราเอาไปไม่ทำคมชั่วมันก็เกิดร้อนเราต้องใช้กายให้เป็นกายของเราใจของเรานี้ควรจะมีผู้ดูแลปฏิบัติธรรมคือดูแลกายใจของตนให้อยู่ในขอบเขต เดีย๋ยวนี้กายใจของเรามันเถื่อนสมโซนถ้ามีเจ้าของที่ดูแลอย่างดีบางทีมีความหลงเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจกลคืนว่าผ่นกลางวันไว้วชิดหมกมุ่นคุณคิดไม่รู้จักห่างข้ามความคิดของตนเองปล่อยให้ความคิดถ้ารักเข้ามาจะ น, นอนไม่หลับจน เป็นโกคประสก็สกมีคิดมากๆก็กลายเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ไม่รู้จักดูแลตัวเองเวลานอนหาเรื่องมาคิดหาคำตอบจากความคิดอาจจะไม่ถูกเสมอไปเวลานอนก็ต้องงอนถ้าหาเรื่องไปคิดในเวลานอนผิดศีลด้วย เวลาวิการแล้วเวลานี้เป็นเวลานอนทำไมมนันอนคิดกันอยู่หรือว่าผิดสินเหมือนกันสินคือทําให้เรามั่วหมองทําให้เราเนี่ยไม่ใช่ไปทำคนอื่นเราจึงมีสติสมาสัญญะเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจย้ายกายมันเถื่อนย้าย ใ, ใจมันเถื่อนตัวเใดที่ทีทุกคนตัวเดียวตัวเอง ตอนไทยเรานี่ยหกสิบกว่าล้านคนถ้าทุกคนดูแลกายใจดีๆก็สงบรบ่มเย็นร่วมกันจึงในศาสนาจะแดงออกเมื่อความดีเกิดขึ้นที่กายมันก็มีประโยชน์เราศรัทธาเจ้ า, าจภาพญาติโยมวันนี้ความดีเกิดขึ้นที่ใจที่จิตใจคิดจะไปทําบุญถวายเพงที่เารียดทําสถาน ก็นำอาหารหวนพามาถวายเพลิสงฆ์งเจ้าและผู้คนทั้งหลายก็มีประโยชน์มันคิดขึ้นมาเป็นความดีความดีที่เราคิดขึ้นมามันก็เป็นรูปธรรมแสดงออกเป็นท่าปาอาหารวัตถุปัจจัยต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆความดีนะเกิดจากกาจากใจเราถ้าความไม่ดีเกิดจากกาจากใจเรา ก็เดือดร้อนอย่าง้าคใต้เวลานี้ก็ไม่ดีเกิดขึ้นจากจิตใจของเขาก็จับสต้าบุตรระเบิดปืนไปเฉียนไปฆ่ากันคิดใจไปฆ่าคนอื่นอะไรคนอื่นเพื่อหาผลงานทำให้การได้ผลงานจากการฆ่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ใช่เลยผลงานของเราก็คือให้เกิดสันติสุขสันติภาพร่วมกันในโลกนี้ อย่าทำ้ตคนเองเดือดร้อนอย่าทำห้คนอื่นเดือดร้อนจึงมีศาสนามีพระธรรมคาสอนให้มีศีลมีธรรมศีลธรรมมาอยู่กับกายกับใจมันก็วินาศเดือดร้อนกันทั่วไปนอกจากกายจากใจแล้วก็มีสิ่งวะล้อมเกิดขึ้นเวลานี้เพราะฝีมือของคนไม่รู้จักสมรวม ตัดไม้ทำลายป่าเราไม่ได้ตัดตอนไม้สักต้นเราก็เดื อ, อดร้อนคนอื่นเขาตัดเกิด น, น้ำท่วมไหลหลากไม่มีลากไม้ซับเสรมน้ำเอาไว้เราก็เดือดร้อนกลายเป็นโรคร้อนเกิดขึ้นเกิดที่บัดจางมหาสมุทรอะไต่างๆเพื่อเขาปรับความสมดุลของธรรมชาติ ก็เดือร้อกันไปทีมือคลนเราไม่มีการสารวมระวัดระว่างการใช้ปัจจัยสี่อยู่กับบนโลกนี้อันเราก็มีชีวิตส่วนรวมอยู่เราทำกบดีนั้นก็เป็นส่วนรวมเปนความสุขแต่วความชั่วก็มีส่วนรวมเป็นความทุกข์เราจึงมาช่วยกันทำกบดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเหล่านี้ เราก็ไม่ยากกายก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเราคึดดีทําดีพูดดียิ่งเพืเราเป็นสัตว์สังคมเป็นครอบครัวบุตรภรญาสามียิ่งจะดีมากมากทำบลกับสามีสมบุนกับภรรยาทาบนกับลูกกับเต้ากับพ่อกับแม่อย่าทำบุญแต่กับพระกับวัดตลาดแห่งบนมีทั่วไป อะไรที่แสดงออกในความดีเป็นบุญช่วยเหลือกันให้เป็นคนหนังหลงคนหนึ่งไม่ต้องหลงเตือนกันคนหนึ่งทุกเพื่อคนจะทุกข์ให้ไม่ทุกข์มันก็เป็นบุญคนหนังโกรธช่วยคนหนึ่งไม่ให้โกรธมันก็เป็นบุญแล้วเราเราก็เห็นกันอยู่อย่ไปโกรธกันเวลาคนโกรธท้งนเขาก็หลงอยู่แล้วเราต้องช่วยกันไม่ให้เขาโกรธไม่ให้เขาหลง ยังมีการปฏิบัติธรรมก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดให้มีสติมีความรู้สึกมีความลึกได้หากไม่เป็นอย่าเป็นผรุษสว aja ผิดแล้วจึงค่อยรู้จักจะเสียใจบางทีเราอยู่ด้วยกันนาะไม่ค่อยทําคนดีเท่าไหร่พอผัพลาดจากการไปเขาบกพรองเสียใจไม่มีโอกาสทําได้เลยเช่นพ่อแม่ของเราดนะ่า เป็นผู้มีพระคุณต่อเราเราทำอะไรที่สุดผีเหมอเราอย่อยางงานแต่งเรเป็นลูกทำกับพ่อกับแม่ถ้าเราขาดตัวพ้องพ่อแม่เราหายตายไปเราก็เสียใจสายกันไปเจอแล้วแก้ไม่ได้ไม่ภูมิใจตัวเองบางทีถึ้งค้าวเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งข่าวเจยวยเียนตายเข้าไปไหนหาความดีในตัวเองไม่มีเลยเศร้าโศกเสียใจเกิดสูรลก หมกไหมไปเพราะเราทําดีมันก็สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่วันนี้วันข้างหน้ามันก็ตั้งต้นจากวันนี้เราจึงไม่ควรประมาทถ้าทําความดีต่อกันแล้วกันเราทําดีวันนี้อีกสี่สิปีห้าสิบปีข้างหน้าก็ยังเป็นความดีอยู่ไม่ใช่ไหายไปไหนช่วดีเป็นปตาเป็นเลนถ่ายเอาไว้ในชีวิตเราเป็นภาพในชีวิตเรา ความชั่วก็เป็นภาพความดีก็เป็นภาพมีความดีความชั่วเป็นมรดกเป็นผลที่เราจะต้องรับกรรมว น, นี้แน่นอนที่สุดเรามีกรรมเป็นของของตนเคื่อเราทําดีก็ดีไปเราทำชั่วก็ชั่วไปถึงเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีให้จนได้ในชีวิตของเรานี้มันก็เกิดประโยชน์ร่วมกันได้จริงๆริงเพราะนั้นวันนี้ก็ เป็นบุญของเราให้เป็นตาเป็นเลนในใจของเราไม่ใช่หายไปไหนอยู่กับเราแล้วคิดถึงวันนี้ที่ใดก็ชื่นใจสุขใจไม่เหมือนทำของชั่วทำของชั่วคิดถึงเวลาก็เศร้าหมอง ข, องของุนวอกินแหงแงใจตัวเองเป็นคนเน่าในเปียกแฉะเหมือนบ่อเทขยะมวลผอยปกปิดซ่อนเล่นตัวเองถ้าทำความดีเนี่ยมันสง่างาม เยี่มเยี่มแจ่มใสสาสรกายาสใจบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีบาปบาปคือความชั่วบุญคือความดีบาปทำให้เป็นไปสู่ทุกขติบุญไปสู่สุขติมันต้งต้นจากอะไรเรามาดูชีวิตเราดูสิวันหนึ่งเรามีความรู้สึกตัวหรือว่ามีความหลง ความหลงก็พาให้ไปทางต่ำได้าปโซบะบได้แล้วความรู้สึกตัวพาไปทางสูงเป็นบนไดาสิ่งที่ที่ขีดชีวิตเราคือความหลงความรู้สึกตัวนี่ถ้าเรามีความหลงพูดก็ผิดทําก็ผิดคิดก็ผิดเจ้ามีความรู้สึกตัวพูดก็ถูกทําก็ถูกคิดก็ถูกจึงควรฝึกขัดคุณและทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเจอเราเพื่อจะได้ใช้ ความหลงไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเราความรู้สึกตัวเป็นธรรมต่อชีวิตเรามากที่สุดเลยทีนี้ก็มีการสอนสติจเจริญสติกันฝึกเดินจงกรมฝึกการเคลื่อนไวหวให้มีความรู้สึกตัวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือหนึ่งวันเจ็ดวันลองดูประเทศไทยเราก็มีอย่างนี้มีวัดบาลามีพระสงฆ์ อ, องค์เจ้า มีบอลุมขุขคือพระเจ้ายังมีคนนั้นถามอยู่กับโลกนี